ต่อไปหมอกสลายที่ปลายฟ้าขอ <ม. S 1>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 หมอกสลาย 23 ความเดิมตอนที่แล้วกำจรมาตามจิมจูกลับ หมอก ทำอะไรอยู่หรือคุณนี่หมู่เนี้ยคุณปลัดชอบย่องเข้ามาเงียบ งั้นคุยกันเรื่องอื่นดีกว่ามั้ยดี น้องเอ็งบอกอะไรกับคุณปลัดไปหรือเปล่าวะนางนีนี แล้วมีเรื่องตื่นเต้นด้วยนะพ่อมีเรื่องตื่นเต้นด้วยนะพ่อเมื่อน่า เลี้ยวซ้ายแลขวาให้ดีเพื่อมีใครๆ ไม่มีแหมแม่น่ะพูดซะๆหรือจะเนี่ยหมอรู้ไหม ตอนนี้ใครเป็นโชเฟอร์คอยรับคอยส่งครูดารณีลุงกำนันหรอคะครูใหญ่ไม่ใช่อ้าวให้ทาอีกหนนึงอ่ะแต่สงสัยทา 10 คนก็คงไม่มีทางถูกปลัดทัญญะโอ้เก่งจริงนะ เขาไม่ใช่ลุงกำนันฝันก็เห็นแต่คุณปลัด งั้นก็ทําตกลงว่าเราจะประชุมในวันเสาร์ที่จะถึงเนี่ยที่เราทําได้ 3 โดย โอ๊ยไอ้ชาน้องอ้อยใจวันนี้น่ะนี่แหละ ใครว่าเมาพี่จอร์จไม่ได้กินเหล้ากินเบียร์สัก พวกแกไปข้างหน้าเลยไปเฮ้ยไปก็ได้วะแล้วอย่ามางอ คนคนนี้มันเหมือนคนเมาแต่แปลกนะที่ไม่มีกลิ่น มันกลาย แป้งที่สุดเลยว่ะทําไมเช้าๆแถวนี้ไม่มีใคร สงสัยจะปวดเฮ้ยแล้วคุณจิมโจไม่ใช่ผู้หญิงนึกไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ย น่ะแก้ล่างยังอลังช่วยด้วยเป็นปลาเลยน่าจะแก้บนเฮ้ย <laughs>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 มากี้เสียงเอะอะอะไรกันอ่ะเกิมจูก็ฉันอืม แล้วอืมเออสงสัย 2 แลตัวนั่งอยู่ไงถ้ามังกรเอหรือจะเป็นบ้า พี่คอยดูนะพูดง่ายๆเป็นผู้ ตายหัวเขาค่ะแทบพังเลยไม่น่าชวนฆ่าเลยไอ้อึ้งถ้าลึ่งอยากดู รถตกโต๊ะที่หลังห้องน้ํานั่นใช่มั้ยล่ะเอ่อสมน้ํา ไหเป้งว่าไม่เข้าใจใหญ่เหลืออะไรวะอัจจิอั้วไม่เข้า หน้าท่าพวกมังไม่ ครบแล้วค่ะคุณหมอครูใหญ่ขอบคุณมากค่ะค่ะวันนี้ผมประชุมลับอีกนะ ถึงได้เวลา เวทีประชาคมครั้งที่ 2 ที่พวกเราได้คัด วันนี้ก็ถึงเวลารายงานผลงานในเวทีประชาคมครั้งที่ 3 ในวันนี้เราตั้งมติว่าปักทงขาวก้าวสู่หมู่บ้านปลอดยาเสพติดเราจะมีวิธีคิดหรือวิธีจัดการอย่างไรขอเชิญท่านประธานคณะกรรมการชุมชนเข้มแข็งบ้านปลายฟ้าคุณหมอดาวหวัน และคณะกรรมการทุกท่านที่สละเวลา โดยจะเชิญนายอำเภอ 15 คุณ นางปอมันเคยจะกลับตัวกลับใจยาคนอื่นจะคิดหรือเห็นยังไงค่ะใช่มัน เขาว่าจะพูดกันคนละที 2 ทีเลย กรรมการท่านใดก็ให้ยกมือรับรองได้นะคะว่า ป.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 ผู้แสดงบีดังต่อไปนี้อาธรภาธิพัฒนะทินดาเกษรีเปรมกมลโชติกาเสถียรธีระ และเฉลิมพลศิริประเสริฐศักดิ์ชนทฐานอาสาควบคุมเสียงอาทรภาธิพัฒนะดินดา